มงคลชีวิตมงคลที่สิบสามการสงเคราะห์พัญญาทารัศสะสังขโหเอตามังคลมุตตมังการาสงเคราะห์หได้แก่ การช่วยเหลือการแสดงความรักหรือการเป็นที่พึ่งให้พัญยาภัญยาหมายถึงสตรีผู้เป็นมารดาของบุตรธิดาหรือสตรีผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ในการครองเรือนความสำคัญของพัญยา1 พัญญามีความสำคัญต่อสามีคือเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ไว้ใจให้เก็บทรัพย์สินหรือแม้แต่บอกความลับที่ไม่เคยบอกแก่ใครร่วมสุขทุกเป็นกำลังใจเป็นผู้จัดการงานเรือนและให้กำเนิดทายาทลักษณะของพัญญาที่ดีจึงควรมีลักษณะดังนี้คือร่วมสุขร่วมทุก คือยามขัดสนก็ขัดสนด้วยยามมั่งข้างก็มั่งข้างด้วยยามมีชื่อเสียงก็มีชื่อเสียงด้วยสองเป็นผู้ขยันจัดการงานดีรู้จักการสงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายได้ดีไม่ประพฤตินอกใจเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ หลักการสงเคราะห์พัญญา 1. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นพัญญา 2. ไม่ดูหมิ่นและไม่นอกใจ 3. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ 4. หาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาสต่างๆ 5. มีความเข้าใจถึงความทุกข์ต่างๆของพัญญาในฐานะที่เป็นสตรีเช่นความคิดถึงญาติคราวมีระดูหรือคราวคลอดบุตรเป็นต้นการสงเคราะห์พัญญาจัดเป็นมงคลเพราะ 1. จัดเป็นที่รักที่พอใจของพัญญา สองจิตใจเป็นสุขสามได้ปฏิบัติธรรมของสามีที่ดีสี่จเจริญด้วยทรัพย์สินห้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตคู่ยืนยาว